สุขได้ในยามป่วยรักษาศีลให้บริสุทธิ์ฝึกสติให้เข้มแข็งเมื่อสติเข้มแข็งจิตของเราก็เข้มแข็งขึ้นด้วยเมื่อจิตกับสติเข้มแข็งร่างกายของเราก็เข้มแข็งขึ้นมาด้วยเมื่อจิตไม่หวั่นต่อความเป็นความตายกายมันก็เข้มแข็งนอนป่วยลุกไม่ขึ้น จิตมันก็ยังเข้มแข็งกำหนดภาวนาอยู่ตลอดเวลาลุงพ่อได้ดีเพราะความเจ็บป่วยกับคนขรหานินทาคนดา่าถ้ามีคนด่าว่าขรหานินทาแล้วเอาแล้วทิฐิมานะมันขึ้นแต่มันไม่ไปต่อต้านหรือไปต่อสู้นะเออเขาว่าเราไม่ดีเราจะต้องเอาดีให้ได้ เพราะฉะนั้นโบราณจึงพูดเป็นคำพังเพยไว้ว่าอุปสรรคคือการต่อสู้ศัตรูคือยากำลังความเจ็บป่วยคืออุปสรรคที่สำคัญที่สุดของชีวิตในเมื่อเราต่อสู้กับความเจ็บป่วยอันเป็นอุปสรรคเรามีสติสัมปชัญญากำหนดรู้จดจ่ออยู่ตลอดเวลาสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นสุขเราไม่ต้องไปนึกคิดพิจารณาให้มันลาบากใจ เพราะความจริงมันปรากฏแก่เราอยู่แล้วทุกลมหายใจทุกขณะจิตเรากําหนดจิตดูมันเท่านั้นสุข ก, ก็รู้ทุกข์ก็รู้ไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้ความโศกเศร้าความโทมนัสน้อยใจหรือความน้อยเนื้อต่ําใจอะไรที่มีอยู่ในใจเราเราก็รู้เมื่อเรามีสติอ่านลงไปดูคำภี์พระไตรปิฎกมันอยู่ในใจนี่ ยึดหลักศีลไม่ต้องตรากฎหมายก็ได้ถ้าเรารักษาศีลทั่วไปถ้าขนาดสัตว์เดรัจฉานไม่ได้เอาศีลในระดับการปกครองบ้านเมืองศีลปกครองบ้านเมืองได้อย่างไรศีลก็เป็นศีลกฎหมายก็เป็นกฎหมายปกครองบ้านเมืองได้อย่างไรกฎหมายมีมูลฐานมาจากศีลธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของชนกลุ่มนั้น แล้วสมาชิกทั้งหลายลงมติพิจารณาพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบว่าควรจะปฏิบัติกฎหมายมาปกครองบ้านเมืองอย่างนี้อย่างนี้แต่ที่ว่าศีลเป็นหลักปกครองบ้านเมืองเนี่ยศีลห้าข้อนี่แหละคือกฎหมายรัฐธรรมนูญข้อต้นอย่าฆ่ากันอย่าเบียดเบียนกันอย่าคมเหงกันอย่ารังแกกันอย่าอิดช า, าร้อนกัน ในเมื่อมายึดหลักนี้แล้วไม่จำเป็นต้องออกกฎหมายมาให้ลูกหลานมันเรียนจนหัวโต